เรื่องกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัยหมวดที่หนึ่งรวม16กรณีสี่อท่านพระอุบาลีทูลถามว่ากรรมที่ควรทําต่อหน้าสงผู้พร้อมเพรียงกันทําต่อหน้ากรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยพระอุบาลีกราบทูลว่ากรรมที่ควรทาโดยการสอบถามสงผู้พร้อมเพรียงกันทาโดยการสอบถามกรรมที่ควรทาตามปฏิญญาสงผู้พร้อมเพรียงกันทาตามปฏิญญา ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้อมุระหาวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมุระหาวินัยลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนียกรรมลงนิยสกกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกกรรมลงปัปพาชนียกรรม แกพกิผู้ควรปรับภาชนิยกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนิยกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาทชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัด แกภิกษุผู้ควรมานัดอัิพานภิกษุผู้ควรอภิธานอุปสมบทให้กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคกระตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยอุบาลรีกรรมที่ควรทำต่อหน้าสงผู้พร้อมเพรียงกันก็ทำต่อหน้าอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอย่างนี้แหละสงย่อมไม่มีความผิดอุบาลรีกรรมที่ควรทำโดยการสอบถามสงผู้พร้อมเพรียงกัน ก็ทำโดยการสอบถามกรรมที่ควรทําตามปฏิญญาสงผู้พร้อมเพรียงกันก็ทําตามปฏิญญาให้สติวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยให้อมูรหะวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรอมุรหะวินยัยลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรม ลงตัดนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดนียกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับภาชนียกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุกเขปนิยกรรม แกภิกษุผู้ควรอุเขปนิยกรรมให้ปริวาทแกภิกษุผู้ควรปริวาทชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดแกภิกษุผู้ควรมานัดอัพานพิกษุผู้ควรอภพนอุปสมบทให้กุรบุตรผู้ควรอุปสมบทอุบาลี อย่างนี้แหลจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินยัยอย่างนี้แหลสงย่อมไม่มีความผิด